เจ็ดสิบสี่อวิปปวาตสีมานุชา น, นาว่าได้ทรงอนุญาตแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนเรื่องกรุงราชครื้ข้อ143สมัยนั้นท่านพระมหากษัะเดินทางจากอันทกะวินทวิหารมายัางกรุงราชครืเพื่อทำบโบสดุดระหว่างทางขณะข้าแม่น้ำถูกน้ำพัดไปหน่อยหนึ่ง จีวรของท่านเปียกภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระมหากระสปะดังนี้ว่าอาวุโสทําไมจีวรของท่านจึงเปียกเล่าท่านพระมหากระสปะกล่าวตอบว่าท่านทั้งหลายผมเดินทางจากอันพระกับวินพวิหารมายังกรุงราชคฤห์เพื่อทําอุโบสถหน้าที่นี้ระหว่างทางขณะข้ามแม่น้ําถูกน้ําพัดไปหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นจีวรของผมจึงเปียก ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงสมมติแล้วสงก็จักสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร